แล้วไปเที่ยวใา้สาบายใจท่านจะเสียงานไปหนึ่งวันแล้วกลับมานอนมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขเลยนี่แหละถึงเรียกว่าเวชนาจึงต้องกําหนดจิตให้ม่สติต่อเวทนาที่เกิดขึ้นเสียใจก็กําหนดว่าเสียใจหนออ๋อเสียใจเรื่องเงินไม่มีเสียใจเรื่องผัวเสียใจเรื่องเมียเสียใจเรื่องพ่อแม่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 าการสร้างตัวเองการเจริญพระกรรมฐานเป็นการสร้างฐานะของตนเองให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองมิใช่คนอื่นเป็นผู้รับประโยชน์แต่เราเราเป็นผู้ได้มืนเปอร์เซ็นต์ที่เวนี่เวทนาทุกยากลำบากกายทุกขในตัวเราก็มากแล้วทุกเกิดก็เป็นทุกขอายุมากแต่ไปแล้วก็เดินงองแงก็มีแต่ความทุกข์เดี๋ยวก็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 ถ้าเรามีสติดีจะไม่เสือกอเสือกไปรับความด่าเขาเข้ามาไว้ในใจจะมีแต่ความทุกข์ความยากความลหบากตลอดไปตรงนี้ขอพี่น้องตั้งใจปฏิบัติอย่าไปแสหาเรื่องอย่าไปเปลียงเวลาอย่าไปเอาเรื่องของใครทางนั้นมาใส่ตัวเองต้องเอาเรื่องของตัวเองโดยเฉพาะอย่าไปหาเรื่องหาราวกัน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 ทำดีก็เป็นกูสอนทำชั่วก็เป็นอากูสอลูหนอถูกต้องแล้วนอไม่เป็นอากูศลกก ร, รมอีกต่อไปแล้วกระปายเจ้าจึงกำหนดว่าลูหนอเรียกว่าท ร, ร ม, มานุ ป, ปนัสนาสติปฐานสรุปใจความของชีวิตเรามีแต่กูศอช่วยตัวเองอากูศละก ร, รมนี่มันช่วยตัวเองไม่ได้มันย้อมระยำทำให้รั่ว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 จิตใจดีมีปัญญาเวทนาหายไปเหลือเวทนาในคือจิตใจสบายจิตตานุปัฒนาจิตดีมีปัญญาพัฒนาได้ทุกอย่างธรรมานุปัฒนาจิตเป็นมหากรุนดวงแปดคือสินสมาธิปัญญาทานน้ำใจคือเมตตาก็เข้ามาสู่เรา